หากใครยังมีความคล้องใจในองค์หลวงตาก็ขอเรียนเชิญท่านไปที่สวนแสงธรรมพุทธมนทนสายสามในช่วงสงกรานต์ท่านจะมาเมตตาคนที่กรุงเทพไปกราบท่านที่นั่นก็ได้